เจตนาที่เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่ทําำแต่ถ้าบาปเกิดก็สร้างอากุศลวิบากและก็อกุศลกรรมชรูปที่จะเกิดต่อไปในอนาคตเนี่ยฉะนั้นว่าอากุศลเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งอกุศลวิบากอากุศลวิบากมีกี่หัวเท่าไหร่อกุศลวิบากมี7คือจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณก า, ญญ า, ณายเย้ญญายวนสัมปติชนะสันตีรณะรนะวมเป็น7 7เ เ, เนี่ย เหตุสิบสองให้ผลเจดูเหมือนน้อยใช่ไหมเหตุมีสิบสองให้ผลเจดูเหมือนน้อยแต่อย่าลืมนะโลภะหนึ่งดวงให้กี่ให้เจดนะและในโลภะหนึ่งดวงนั้นคูณอารมณ์นะรับอารมณ์ได้ทั้งทุกอารมณ์นะและการรับได้อารมณ์ทุกอารมณ์รับได้การสมนะใช่ไหมรับอดีตปัจจุบันและอนาคตและแต่ละอารมณ์นัคูณกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนื อากุศลอปุญญาพิสังขารอากุศลเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งอากุศลวิบากใช่ไหมว่าไม่ใช่วิบาก น, น้อยๆที่เขาปรุงแต่งมีขบศัพท์หนึ่งก็ว่าจิตเตอสังกิริเถจิตเตเขาไปจิตเตสังกิริเถ ท, ทุกติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองแล้วตกนรกแน่นอนเนี่ยเศร้าหมองเลยเนี่ยฉะนั้นถ้าอาปุญญาพิสังขาร คือสังขารที่เป็นบุญเกิดขึ้นใช่ไหมมันปรุงแต่งอกุศลวิบากและอกุศลกรรมมารูปโดยตรงนะปรุงแต่งโดยตรงนะเรามองเห็นแค่เจ็ดใช่ไหมเหตุสิบสองมีผลเจ็ดเนี่ยดูเหมือนน้อยแต่ที่ไหนได้โลภะหนึ่งดวงนีเน่ยโลโลภะหนึ่งเดียวรับรูปารม์สัทธาลมคันธาลมราสาลมโพธาพารมและธรรมอารมณ์ได้หกแล้วและในบรรดาอารมณ์นี่ที่เป็นอดีตที่เป็นปัจจุบันที่เป็นอนาคตใช่ไหม หรืออารมณ์เหล่านี้ก็คูณโดยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นเท่าไหร่นะถ้าบอกว่าแปดคูณหกนี่เท่าไหร่สี่สิบแปดคูณอีกสามเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เป็นเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่สี่สิบแปดคูณสามเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้นะกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ออกมาเป็นร้อยสี่สิบสี่นี่อย่างธรรมดาธรรมดา ถ้าไปเพิ่มพวกไอความเพียนเข้าไปเพิ่มจิตเข้าไปอีกเพิ่มฉั้นทะเข้าไปอีกสมมติเงี้ย น, นะโอ้โหไปใหญ่เลยเนี๋ยวนถึงบอกว่าถ้าเราดูตรงนี้แล้วเราจะให้สังเกตว่ามนุษย์จิงต่างกันอันในบรรดานสีอ่ะถ้าสมมุติสีขาวใช่ไหมสีขาวสีแดงสีเขียวสีส้มแล้วแต่ละสีแต่ละสีแต่ละสีะสให้โลภะหมด และทุกสีให้กายกรรมวจิกรรมมโนกรรมหมดสัตว์จึงมากมายจริงๆเห็นไหมเดี๋ยวไปดูในส่วนของวิญญาณแล้วก็จะแยกให้ละเอียดดูแล้วก็จะเห็นว่าไอตัวปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณที่มันไปจากสังขารเหล่านี้มันเป็นยังไงขุดไปในดินก็เต็มลงไปในน้ำก็เยอะบนบกบนในต้นไม้ก็มากอันนี้ในกลุ่มของพวกบรรยศัตร์คือคือไอพวกสัตว์รชันเนี่ย ไอ้ที่นับนับนับมานี่เราเป็นได้หมดเลยนะ่ยใช่ไหมเราเป็นได้หมดเลยแต่คิดอย่างนี้แล้วเนี่ยสังอปุญญาพิสังขารเนี่ย ก, ก็มันปรุงแต่งหมดเนี่ยปรุงแต่งอย่างเงี้ยจึงอยู่วิบากมีเจตเนี่ยอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากหนึ่งเห็น ไ, ไหมปรุงแต่งอกุศลวิบากหนึ่งในปฏิสนธิการและในวิวัติการ ท, ทําหน้าที่ปฏิสนธิเนี่ยได้ไอตัวสังขารเนี่ยอปุญญาพิสังขารตัวเนี้ยอย่าลืมนะว่า อกุศลเจตนา11เนี่ยปรุงแต่งในปฏิสนธิการได้หมุนเว้นอุทธจารเจตนาออกไปโลภะรับสีแดงเป็นอารมณ์กับปรุงแต่งอุเบกขาสันติระอากุศลนิบาศได้และในอกุศลนิบาศหนึ่งนั้นไปเกิดเป็นเปรตอสุรก า, ายสัตติละชานันสัตวโลกเปรตกี่จําพวกสัตวโลกกี่จําพวกสัตติละาชาันกี่จําพวกมนุษย์อีกกี่จักรวาลทุกๆจักรวาลโดยส่วนมากมีมนุษย์หมด ยุ่งหรือไปอะไรโดยเฉพาะมันเออขอไปมนุษย์บ้าไปนหมดหรอกเออไม่ได้มนุษย์ไม่ได้พวกอ้ไบยสัตว์นะเปรตเอออสุรกายเออสัตว์ใดฉานสัตว์นรกพวกเนี้ยอีก ม, มกมากมายตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าเป็นตัวอกุศลเจตานา น, นั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งใช่ไหมทีนี้แค่เสียงอมาทางทวารหูแต่ละเสียงแต่ละเสียงแต่ละเสียงเนี่ยนะแปลว่าทําบาปได้หมดเลยถ้ากลุ่มเนี้นี่ลักษณะคือว่า จะให้สังเกตว่ า, าวิชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาพิสังขานี่อวิชาปิดในฐานะเป็นสาชาตะเออเป็นสัมพยุตตปัจจัยด้วยนะคือตัวอวิชาคือโมหะใช่ไหมโมหะตัวเจตนาที่ในอกุศลอันนั้นเป็นตัวสังขารโมหกะกับเจตนาเนี่เกิดร่วมกันในขณะที่ทําบาปคือปานาติบาตอธินาทานการเมียสมิชาจารเป็นต้นเนี่ยในขณะนั้นอนะ่ะโมหะก็เกิด เจตนาก็เกิดก็ เ, เกิดร่วมวงการด้วยอยู่ในนั้นเลยและไม่ใช่แค่นั้นเขายังเป็นอุปนิสัยปัจจัยด้วยเป็นอุปนิสัยปัจจัยบอกว่าจะทําให้เขาฆ่าหรือโลภหรือรักหรือขโมยต่อไปในในอนาคตด้วยไอตรงนี้คือเป็นเป็นอัธยาศัยที่ปลูกฝังเขาอย่างเหนียวแน่นไปได้ด้วยและในขณะที่ทําบาปเขาก็ปิดขวางกันในขณะนั้นด้วยทําให้เขาเขารู้ว่าถ้าไม่เกิดความมอมันเลยนะ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอากุศลเจตนา12เป็นผู้ปรุงแต่งอกุศลวิบากและก็อากุศลกรรมไมชรูปโดยตรงเขาให้โดยตรงเลยนะตรงนี้เนะี่ยเกิดขึ้นนี่ในอย่างหนึ่งประการต่อมานี่ดูคร่าวๆไปก่อนนะอาเนนชาพิสังขารคืออกุศลเจตนาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นผู้ปรุงแต่งอารูปวิบากให้เกิดขึ้นโดยตรงได้แก่อารูป์กุศลเจตนาส อันนี้เป็นอาเนญชาพิสังขารอเนญชาธรรมธรรมที่ไม่หวั่นไหวคือคืออะไรอรูปกิริยาอรูปวิบากอย่างนั้นเขาเรียกอเนญชาธรรมอรูปกิริยาอรูปวิบากเป็นอนเนนชาธรรมเป็นธรรมที่ไม่หวั่นไหวที่เรียกว่าอนเนญชาธรรมนั้นก็เพราะว่าธรรมเหล่านี้ไม่ให้วิบากแต่เป็นธรรมที่ไม่หวั่นไหว แต่ไม่ทําให้วิบากเกิดขึ้นเป็นไปเมื่อตอนเองเกิดลักษณะนี้เขาเรียกว่าอาเนญชธรรมไม่ใช่อเนญชาพิสังขารแต่อารุปกุศลเจตนาสีเป็นอเนญชาพิสังขารเพราะเป็นผู้ปรุงแต่งอารมณวิบากสให้เป็นไปมองเห็นอย่างว่าอาเนญชธรรมกับอเนญชาพิสังขารนนะต่างกันนะต่างกัน รูปกุศลเจตนาสเนี่ยที่เป็นอเนนชาพิสังขารเนี่ยไม่สามารถให้รูปประธรรมให้กรรมชรูปได้ทําไมจึงไม่ให้ปฏิสนธิกรรมชรูปหรือปวัติกรรมชรูปเกิดขึ้นทําไมจึงไม่ให้รู้ไหมกรรมมชรูปนี่เป็นมหากคตธรรมหรือเป็นปริตรธรรมเป็นปริตรธรรมธรรมที่มีอนุภาพน้อยเป็นกามาวจรธรรม ทำที่อยู่ในการบำรุใช่ไหมฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นอาเรณ์ชั่วธรรมนะไม่ใช่รูปวันไหวไหมวันไหวเพราะอะไรวันไหวเพราะเย็นบ้างร้อนบ้างเหลือบบ้างยุงบ้างลิ้นไหลลมแดดเป็นต้นเหล่านี้โห่รูปนี่แตกดับใช่ไหมเหตุปัจจัยที่จะทําให้รูปพังง่ายเหลือเกินอย่างเราเราลองไปยืนตากแดดสิบชั่วโมงก็เห็นผลแล้วดําหมดเลย ไอ้ที่ดำอยู่แล้วเลยดำใหญ่เลยใช่ไหมแต่ถ้าอนเนนช้า ร, รมเนี่ยเกี่ยวกับอรูปกิริยากับอรูปวิบากนี่เขาตั้งมัน่นลองคิดดูอารูปวิบากเนี่ยจริงอยู่เขาเกิดดับแต่เขาเกิดดับตั้งมั่นใช่ไหมถามว่าตั้งมั่นขนาดไหนอรูปรูปาวจจละอรูปาวจจลเนวัษฏัญญาณสัญญายาตนาวิบากตั้งอยู่กี่ปี แปดหมื่นสี่พันมาหากรอบเห็นนี่ยังว่าเขาตั้งมั่นนานจริงๆไหม <_ appropri Pedro> เขาตั้งมั่นนานจริงๆ น, นี่เป็นอย่างงี้นะนี่เขาเรียกว่าเป็นนิสังขารสังขารที่เป็นไปในส่วนของอนเนนชาพิสังขารเออพูดตรงนี้มันเลยนี่มาอีกคำหนึ่งเหมือนกันนะเดีวพิญญาว่าทีหลังนะพิญญาไม่เป็นสังขารนะพิญญาเนี่ไม่เป็นสังขาร อุสนกัญญาเนี่ยปิญญาสองเนี่ยนีไม่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณเอาต่อไปดูกายะสังขารได้แก่เจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งกายะทุจริตและกายสุจริตให้สําเร็จอันนี้ได้แก่เจตนาที่ประกอบในอกุศลเจตนาสิบสอมหากุศลเจตนาแปดที่เกี่ยวกับการกระทําทางกายพวกนั้นไอ้ตรงนี้คือเกี่ยวในด้านของกายกรรมกายกรรมนี้เป็นตัวขับเคลื่อนทําให้ กลายเป็นไปเนี่ยนะกายกรรมเนี่ยโดยมากเราจะเป็นนึกกันเพียงแค่เป็นนึกแค่ว่าการทำเรื่องใหญ่ๆกระพิบตาครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นกายกรรมเนี่ยเป็นกายกรรมนะการเคลื่อนไหวากายหรือเปล่ากระพิบตาเจตนาที่จะกระพิบใช่ไหมก็มีอยู่ใช่ไหมจิตที่คิดจะกระพิยบมันก็มีอยู่ตอนนั้นนะจิตก็ไม่เป็นบุญก็ต้องเป็นบาปใช่ไห่ ตอนนั้นอะสำเร็จเป็นกายกรรมแล้วก็ดิกนิ้วก็ดิกนิ้วเล่นๆเนี่ยนั่งเพลินๆอะไรเงี้ยนะก็ะดิกนิ้วกว่าไงไอ้ตรงนี้ก็เป็นกายกรรมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้ก็อยู่ในกลุ่มของเอาไม่อกุศล12ก็มหากุศลนะจิตแดวงใดดวงหนึ่งทําเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราเป็นไปคู่เหยียดก้มเงยกระพิบตาปากเดินเล่นๆหัวหัวไปวันๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกายกรรม เป็นเจตนาที่เป็นไปในส่วนของกายยทวานแล้วทางทางทวานกายแล้วการเคลื่อนไหวที่เป็นกายยวินยัตเนี่ยนะการเคลื่อนไหวออกมาทางกายเนี่ยเป็นกรรมไม่ใช่ไม่เป็นนั่งๆ่งอยู่ใช่ไหมโยกนิดนึงเนี่ยจิตต้องคิดก่อนแล้วใช่ไหมถึงจะโยกถึงจะเคลื่อนไหวถามว่าจิตที่คิดโยกเคลื่อนไหวนั้นเน่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเจตนาแล้ว ถ้าเป็นอกุศลเจตนาก็คือในขณะนั้นเป็นกายะทุจริตจย่างนั้นเลยกายกรรมที่กระทํามาในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นมีโมหะปิดไหม <S <S มีไม่มีมีโมหะปิดใช่ไหมเราไม่รู้เหตุเกิดและความดับเป็นต้นของกายกรรมนั้นๆใช่ไหมแล้วก็ไม่เห็นว่ากายกรรมนั้นเป็นทุกข์บางทีอย่างเราๆเนี่ยบางทีเอาจุดใหญ่ๆบางทียังคุมกันๆๆยังไม่ค่อยอยู่ใช่ไหม ฉะนั้นในขณะที่เราคู่เยียดก้มเงยกระพริบตาใช่ไหมเขาบอกอะไรนะถ้าในกลุ่มอิริยาบถย่อยเนี่ยมันจะมีอยู่ใช่ไมในกลุ่มอิริยาบถย่อยเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยในหมวดสัมปชัญญะเนี่ยที่บอกว่าแลและเหลียวอะ่ะในกลุ่มแลเหลียวอะ่ะใช่ไหมบอกว่าเวลาเราจะแลจะมองดูจะเหลียวซ้ายแลขวาเป็นต้นเหล่านี้ ไอ้กลุ่มแหลียวเป็นต้นเนี่ยเกลุ่มเหล่านี้ถามว่ากายกรรมส่วนนี้เนี่ยเป็นไปกับบาปไหมถ้าเป็นอกุศลถ้าเป็นกายสังขารที่เป็นอกุศลเจตนาเป็นตัวผลักดันแล้วเป็นไปกับบาปเป็นไปกับความโลภเป็นไปกับความโกรธเป็นไปกับความหลงเนี่ยมันแหลียวก็เป็นไปกับโลภะโทสะแล้วโมหะใช่ไหม ลักษณะนี้เป็นกายะสังขารที่เป็นบาปเป็นกายะสังขารที่เป็นบาปแต่ถ้าแลเหลียวที่เป็นไปได้เหตุของการการะทําบุญแต่เป็นผลก็วิชานะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเออเนี่ยเขาทําบุญกันอ่าแล้วก็แล่เขาทําบุญกับอนุโมธนาบุญกับเขาขอให้เขาไป น, นึกเลยนะลักษณะอย่างนี้คือแลเหลี่ยวที่จะเป็นปัจจัยแก่ของสังขารอันนี้เป็นเป็นสังขารเป็ น, นตัวปัจจัยมีสังขารเป็นตัวปัจจัย เห็นไหมการแลเหลียวของเราเนี่ยไม่ได้มีไม่รู้ชัดไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่ไม่มีศาสกาสัมปชัญญะไม่มีโคจล่าสัมปชัญญะไม่มีสปายสัมปชัญญะไม่มีอาสัมโมหาสัมปชัญญะอาไม่มีศาสกาสัมปชัญญะไม่กําหนดประโยชน์จะแลจะเหลียวจะยืนจะเดินจะก้มจะเงยจะคู่จะเหยียดเนี่ยนะจะห่มจีวรจะพาดสังขติ จะทรงบาตรเป็นต้นน่ยนะไม่มีศาสตะกาสามปรชัญญะหรือเราก็นุ่งห่มเป็นต้นเน่ยเราเราต่างหลายก็คือนุ่งห่มเนี่ยเราไม่มีศาสตะกาสามประชัญญะไม่กําหนดประโยชน์ว่าไอ้ที่ทําไปเนี่ยเกี่ยวในเรื่องของศีลคือสิกขาสบอกว่าการกระทําลักษณะเนี้ยกายกรรมนั้นจะเป็นที่ตั้งของสิกขาสามไหมจะเป็นที่ตั้งของศีลและสิกขาจิตแต่สิกขาและปัญญาสิกขาไหมเป็นต้นลักษณะอย่างนี้ ไม่ได้ตรึกเลยใช่ั้ยถ้าไม่ได้ตรึกอย่างนี้เขาเรียกกายกรรมนั้นอาจจะตรึกเป็นบุญก็ได้ว่าเออเนี่ยเราก็ตรึกเป็นบุญไปก็ได้เป็นบุญกุศลเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้แต่กม็มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกาั้นลักษณะอย่างนี้คือกายสังขารที่มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกาั้นทีนี้ถามพอเราพอเรามองมองอย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้เราอย่าลืมนะว่า กรรมที่เกิดขึ้นจากการกระดิกนิ้วเนี่ยนำปฏิสนธิได้อะเชื่อไหมบางคนเนี่ยไหมบางคนโกรธจัดกระดิกนิ้วมีไหมไม่โกรธไอ้โกรธนี่แหละจะกระดิกนิ้วอยู่ไหมไอ้ที่นี้พอพอลักษณะอกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่กระดิกนิ้วใจเป็นพยาบาทครบองค์เนี่ยพยาบาทแรงเลยจะไหมไอ้กรรมประเภทนี้นำปฏิสนธิแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะ กรรมที่ทําตรงนั้นนั่นแหละต่อมาใช่ไหมต่อมามันเป็นอัธยาศัยไงเป็นอัธยาศัยไปเงี้ยแต่พอใกล้าตายนะ่กรรมที่เคยกระดิกนิ้วแนดิตนั่นแหละมันมาส่งผลในมรณาสถานการก็ได้มันไม่ใช่ว่าต้องกระดิกแล้วตายตอนนั้นอย่างเดียวเห็นไมว่าแค่แค่พยาบาทเขาใช่ไหมแต่นิ้วมันกระดิกเป็นกายกรรมส่วนนั้นนั่นแหละก็ยังนำปฏิสนธิในอบายได้ แต่ม่แต่ไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้นะให้ให้สังเกตใช่ไหมว่าทําไมในทางพระศาสนาท่านจึงท่านจึงไอ้คำว่าสํารวมเนี่ยคำว่าสังวรคําว่าปิดบาปเนี่ยมันทำไมทําไมถึงเกิดขึ้นในพระศาสนาถ้าหากถ้าหากว่ากรณีทางกายกรรมเนี่ยถ้าหากว่าในขณะที่เป็นอกุศลใช่ไหมเป็นอกุศลแต่โดยมากมันเป็นเนี่ยนะในชีวิตจริงของสัตว์โลกเนี่ยมันจะเป็นบาปเป็นอกุศลกันเป็นส่วนมากทางด้านกายกรรมเนี่ย ทางด้านกายกรรมที่นี้ถ้ากายกรรมที่เป็นไปกับบุญเนี่ยกายกรรมนั้นก็จะเป็นไปในลักษณะการเกี่ยวในเรื่องของอย่างยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่สร้างบารมีพระองค์ก็ทํากุศลนี่แหละแต่กุศลของพระองค์นั้นปารบสัมมาสัมโพธิญาณเวลาพระองค์จะเพ่งมองใครก็เพ่งมองด้วยสายตาเป็นที่มีเมตตาเป็นที่รักไม่เคยถะลึงตามองใครเลยเห็นไหมกายกรรมของพระองค์ไม่เคยชั่วเลย โดยส่วนมากนะพระองค์จะมองก็มองด้วยจิตที่มีเมตตากายกรรมของพระองค์ก็เป็นไปกับเมตตาเวลาจะเดินเนี่ยจิตก็เป็นไปกับกุศลเป็นส่วนมากอะ่ะการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่การเหยียดพระองค์จึงมีมีอิริยาบถที่งดงามมากเห็นไหมมีพราสรีละกั ง, งามมีการเยื้ยงย่างกับงดงามเหลือเกินเนี่ยนะ ผิดกับอย่างเราเทั้งหลายใช่ไหมพบพบพบเลยว่ากายกรรมของเราเดี๋ยวเราเป็นไปเนี่ยมันมันก็จะมองเห็นจุดต่างเลยว่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราเคยศึกษาในคําสอนในสมัยในสมัยของพุทธกาลเนี่ยว่าภาพละภาพริยะท่านอยู่กันเนี่ยอยู่เป็นร้อยเป็นพันเดี๋ยท่านนิ่งอ่ะออ่ น, นี้เราก็เห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยท่านเจริญไอกายกรรมที่เป็นบุญที่เป็นกุศลกันและกุศลที่ท่านเจริญนั้นก็ ไม่ไม่น้อมที่จะเป็นกายกรรมที่เป็นผลกออ็พิจารณาใช่ไหมมันก็ยังต่างไงอย่างถ้าเราเรานี่ น, นี่ยกเรียต้องบอกว่ามาเกิดเนี่ยมันอันตรายไหมอันตรายไหม น, นี่ส่วนของกายกรรมทีนี้วจีสังขารเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งวจีทุจริตและวจีสุจริตให้สําเร็จได้แก่เจตนาที่ประกอบไปด้วยกุศลและเจตนาสิบสอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวจีกรรมคือคําพูด ไอ้ตรงนี้มช่ไหมสหรับคนพูดคล่องคล่องทั้งหลายเะนะี่ยบางทีมันชํานานเนี่ยหรือนานๆพูดทีก็เหมือนกันเขาบอกว่าไอ้สำรวมวาจาเนี่ยแปลว่านานๆพูดหรือว่าพูดบ่อยๆก็ อ, อยู่ตรงไหนอยู่ที่ตัวเจตนาที่เป็นตัวปิดกัน้นเป็นตัวสังวรหนึ่งเหมือนเหมือนคําบอกว่าสัมมาวาจาใช่ไหมสัมมาวาจาเนี่ยเอาเอาแค่ไหน หมายถึงสัมมาวาจาที่เกี่ยวกับในเรื่องการพูดเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งเนี่ยถ้าปรุงแต่งวจีทุจริตไอ้ตรงนั้นน่ะชัดคือโลภะเป็นตัวผลักดันให้พูดพูดเพาะก็ได้ใช่ไหมพูดไพเราะก็ได้สวัสดีนะเนี่ยทุกคนเนี่ยพูดจาไพเราะพ่อพิงก็ได้แต่มีโลภะอยู่เบื้องหลังของการพูดอันนี้ชื่อว่าเป็นสังขาร เจตนาที่เป็นวจีสังขาร น, นั้นเป็นเจตนาที่ทุจริตโอ้ยอย่างพระเนี่ยพูดได้เพอาะๆเยอะใช่ไหมอายอมทําบุญกันนะสมมตินนะเนี่ยนะอพูดอย่างนี้ใช่ไหถ้าทําอย่างนี้จะได้บุญอย่างโน้นอย่างนี้ที่จร<ง>ิงถ้าบอกว่าเจตนาในการกล่าวเนี่ยนะเจตนานั้นต้องเป็นกุศลไอ้กุศลเนี่ยก็ปราลบอะไรเป็นอารมณ์เลย กุศลเปนะปาลบอะไรรับสีรับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณ์แล้วก็พูดออกมาเปล่งออกมาได้แต่วัตถุประสงค์หรือเจตนาในการพูดนั้นเพื่ออะไรใช่ไหมพระพุทธเจ้ากำกับไปหมดเลยเป็นกุลธูสกะไหมประจบประแจงคารวะเขาหรือเปล่าหรือปร ะ, ประทุษประทุสล้ายตะกูลไหมเออบางทีพูดด่าก็ได้นะแต่วัตถุประสงค์เพื่อโยมทําบุญเยเสียเหมือนกันนะนะ่ ทำบุญให้กับตัวเองเนี่ยใช่เอาเคยแม่พูดเนี่ยพูดด่า น, นี่แหละแต่ว่าเมื่อพูดจบแล้วเมื่อพูดเสร็จแล้วจบลงได้โยมนั่นก็เอาของมาให้เราถ้าไปดูในพระวินัยเนี่ยจะมีเยอะนะเกี่ยวในเรื่องการทีนี้เกี่ยวในเรื่องของวัจีสังขารเนี่ยนะปรุงแต่งให้วัจีทุตจริตออกมา ก็ในกลุ่มพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจิดเยมากเราก็จะวางจุดใหญ่ๆกันเข้าไว้ตรงนี้นะว่าไอ้พูดเท็จในอย่างไรส่อเสียดในอย่างไรคำหยาบแล้วก็เพื่อเจินั้นอย่างไพูดเพื่อเจิในพูดยังไงพูดไม่เป็นอัดเป็นท่อมให้สังเกตดูไหมคนที่สั่งสมเจตนาในการพูดเพื่อเจิดเนี่นะจากใหม่ๆเนี่ยเพื่อเจิอแบบเริ่มมีสาระต่อไปเริ่มไม่มี แล้วพอหนักๆไปกลายเป็นคนพูดได้คนเดียวเห็นไหมพูดได้คนเดียวบางคนบอกเออดีเหมือนกันนะคนที่พูดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ไปทำชั่วเลยโอ้เสียหายเลยคนท่างทำชั่วตลอดเลยนะไหมถ้าหากคนที่เจริญกุศลและเข้าใจเนี่ยนะต่อไปในการสำรวมวาจาเป็นนะต่อไปจะกลายเป็นคนพูดน้อยเท้าทุกคนเว้นไว้ว่าแต่พูดเรื่องกุศลหรือว่าจะปารบธรรมกันก็จะปารบโดยธร ถ้ากลุ้ตกายกรรมเนี่ยกายสังขารที่เป็นบุญจริงๆคนเหล่า น, นั้นก็จะค่อนข้างจะอ่อนน้อมจะอ่อนน้อมแต่ถ้าวาจีสังขารเป็นบุญนะก็จะน้อมต่ในการที่พูดในสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆให้สังเกตดูอย่างนะถ้าหากว่ามันเป็นไปกับบาปเนี่ยคำพูดออกมาก็จะบ่งบอกได้หรือการแสดงออกก็จะบ่งบอกได้นี่เป็นอย่างนี้ ส่วนจิตตสังขารคือเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งมโนโทุจริตและมโนสุดจริตให้สำเร็จได้แก่เจตนาที่อยู่ในอกุศลสิบสองแล้วก็เจตนาที่ในโลกยากุศลสิบเจดอันนี้เป็นไปในส่วนของจิตตสังขารในส่วนของจิตตสังขารเกี่ยวกันในเรื่องของจิตตสังขารเนี่ยนะถามว่าเกี่ยวกันในเรื่องของทางด้านจิตนี่คือความคิดเนี่ย เจตนาที่เป็นไปในส่วนของการปรุงแต่งมโนทุจริตและก็มโนสุจริตถ้าหากว่าอภิชาพยาบาทใช่อภิชาพยาบาทแล้วมีฉาทิฏฐิอันนี้เป็นมโนทุจริตอันนาภิชาอภยาบาทแล้วก็สัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นมโนสุจริตนี่นะถามว่าอภิชาเนี่ยไอตัวอภิ อขึ้นข้อที่หกที่บอกว่าจิตต่สังขารคือเจตนาที่เป็นผู้ปุงแต่งมโนโทุจริตและมโนสุจริตให้สำเร็จต่อแก่เจตนาเจตสิกในอกุโสรจิสิบสองแล้วก็ในโรกิยากุศลณสิบเจ็ดเจตนาที่ในอกุศลรจิสิบสองเป็นมโนทุจริตที่เกี่ยวกับในเรื่องของอภิชาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฐิใช่ อภิชาเกิดขึ้นมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสเป็นได้นะโดยเฉพาะก็คือว่าคิดนึกเรื่องราวต่างๆแล้วยินดีพอใจนี่แหละกลุ่มมโนทุจริตที่ฝ่ายบาปคือโลภะเป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่งกลุ่มมโนทุจริตที่เป็นกลุ่มพยาบาทกลุ่มปฏิฆะนี่นะไอ้นั้นปริมาณของโทสะที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันไป ไม่ใช่เหมือนกันนะไอ้โทรศัพท์ที่เกิดขึ้นโดยหงุดหงิดในชีวิตประจําวันก็มีไอ้ไม่มากอนะ่ะหลือหงุดหงิดประเภทที่ครบองค์เลยกระดับประเภทที่โกรธเครียดแค่ในลักหน่อย่างครั้งที่แล้วที่พูดในเรื่องอะไรนะบอกว่าโกรธกับคําว่าผูกโกรธนี่ก็ได้อย่างกันความโกรธที่เกิดขึ้นครั้งแรก น, นเรียกเป็นโกรธาคือความโกรธแต่เมื่อความโกรธนั้นเกิดขึ้นซ้ําๆๆ้ำๆเลยๆอันนี้เป็นอาการของ ไอ้คือคือคือผูกโกรธอุปหานอะอุปะอุปะนาหะคือผูกโกรธมันโกรธบ่อยๆใช่ไหมอารมณ์เนี้ยถ้าเอาโทรศัไปแตะต้องบ่อยๆแล้วเลยแน่นในอารมณ์นั้นเลยฝังแน่นกับอารมณ์นั้นไอลักษณะอย่างนี้ก็เรียกผูกผูกโกรธก็คือความโกรธนั่นเองความโกรธนั่นเอง มันก็แล้วว่าปริมาณที่เราเกลียดแต่เราคนไม่เหมือนกันเห็นหน้าพราเกลียดก็แสดงผูกโกรธมาแล้วมันจะเกลียดเช่นที่ลายบอกอย่าว่าจะเห็นหน้าได้ยินเสียงก็เพราะอาลักษณะการโกรธใช่ไหมมียังไงเนี่ยที่บอกว่าคือบอกว่าไม่พอใจอะ่ะออาการของอาคาตะวัตถุจําได้ไหมอาคาตะวะัตถุมีอะไรบ้างสิบอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างยันสุรย์จำได้ป่ะอาคาตะวะัตถุสิบอย่าง เขาทำความเสียหายให้กับเราเขาจะทำความเสียหายให้กับเราเขาเคยทำความเสียหายให้ก huh. ับเราใช่ไหมเนี um> hey 慢慢่ยกลุ่มพวกนี้หรือเขาเคยทำความเสียหายให้กับคนที่เรารักจะทำความเสียหายให้กับคนที่เรารักหรือเคยทำความเสียหายให้กับคนที่เรารักประการต่อมาคือว่ากำลังทาประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียด ไปทำคุณประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดเราก็ไม่ชอบนะหรือจะทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดเคยทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดใช่ไหแล้วก็ความโกรธที่เกิดขึ้นจากประสบกับอารมณ์ในชีวิตจริงเนี่ยสะดุดตอหกลม้มชนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจอันนี้ลักษณะนี้บนพวกกลุ่มของโทสะซึ่งเป็น โนทุจริตที่เกิดขึ้นนี่นะนี่เป็นจิตตสังขารที่กลุ่มโนทุจริตส่วนกลุ่มเห็นผิดเนี่ยก็ถ้าอย่างเราเราเนี่ยที่เห็นโดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวเป็นตนยังเชื่อเห็นผิดนะอย่างนี้เขาเรียกสกายะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เห็นไหมการเห็นโดยความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มไหนอุปาทานยังมีอยู่ ลักษณะของอุปาทานเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงถ้าอย่างนี้เป็นมโนทุจริตไหมเป็นมโนทุจริตไหมเอ้าอย่างเรามองทีไรล้วก็เห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่เลยแล้วก็ต้องมโนทุจริตตลอดเวลาที่จริงตรงนี้เป็นเหตุให้ไปสวรรค์ได้ใช่ไหมมันเป็นเหตุให้งการสวรรค์ในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้เกิดนะไม่ใช่ตอนนั้นถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นจะเป็นมโนทุจริตได้ไงเลยคือเรายังถอนไม่ได้แค่นั้นเดีย ทิฏฐานุสัยใช่ไหมอนุสัยนี้ยังไม่ถอนกันนั้นเองส่วนในเรื่องของมโนสุจริตคือเกี่ยวในเรื่องของไม่ไ ม, ไม่ไม่พยาบาทเออไม่ไม่ไม่โลภไม่พยาบาทแล้วก็เห็นเห็นถูกเนี่ยนะ <c oughs> กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสังขารแต่สังขารเหล่านี้เป็นผลของอวิชชาเนะ่ เป็นผลของวิชาก็คือว่าปรารถนาปารบในการเกี่ยวในเรื่องของการที่ว่าไม่โลภเนี่ยไม่โลภกลุ่มที่พยายามจะประพฤติพรหมจรรย์ก็มีเนะื้อกลุ่มที่น้อมออกจากกามก็มีจิตที่ไม่เป็นไบกับบาปเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้น้อมออกอย่างมากมายบางคนก็น้อมแค่ว่ายกตัวอย่างเดียอประพฤติพรหมจรรย์อยู่คนเดียวยอันนี้ก็ได้นะ แต่ไม่ได้ตั้งอัธยาศัยที่จะออกจากอาวิชชาอันนี้ยังเป็นผลข้ อ, อวิชาอยู่นะพวกนี้นะก็คือแผ่มเมตตาบ้างและเลึกในสิ่งที่ดีๆงามๆเป็นต้นเหล่า น, นี้และเลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยเกิดเป็นดังนั้นนะแต่ว่าไม่ได้น้อมที่จะออกจากสังสารวัฏใดๆลักษณะนี้ก็เป็นมโนสุจริย สำหรับเจตนาที่ประกอบในโล ก, กุตละกุศลเจตนาสีนั้นเป็นบุญไหมเป็นแต่ไม่เป็นปุญญาพิสังขารและก็ไม่เป็นอาเนรชาพิสังขารเพราะไม่มีไม่มีหน้าที่ทำอะไรให้เกิดขึ้นไม่สามารถทำให้รูปนามขันห้าเกิดขึ้นในพบต่อไปได้ในสังสารวัฏได้แต่กลับมีหน้าที่ทำลายแหละทำลายชาติ เจตนาในโลกกุตตละกุศลเจตนาสี่นั้นไม่ได้เป็นผลของอวิชชาเนี่ยไม่เป็นผลก็วิชาโดยตรงเลยนะตรงเนี้ยนี่เป็นอย่างนี้นี่พอจะเข้าใจนะว่าสังขารที่ไม่เออที่เป็นผลของอวิชชาเนี่ยเป็นอย่างนี้ประการต่อไปก็คือสังขารที่ไม่เป็นผลของอวิชชาอ่ะดูต่อไปนะสังขารที่ไม่เป็นผลของอวิชานี้คำว่าสังขาร น, นี่ไม่ใช่ มีมีใช้มากมายนะสังขารที่เป็นผลของอวิชชาก็ชื่อว่าสังขารและศั์เหมือนกันแต่ท่านแยกออกมากล่าวเป็นประธานสังขารในปฏิจจุบาะเทศนาส่วนหนึ่งต่างหากน น, นอกจากนั้นจัดเป็นสังขารโดยสัพท์มีในพระบาลีในเจ็ดอย่างที่จะกล่าวเนี่ยสังคตสังขารรูปประธรรมนามรธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่จิตเจตสิกรูปทั้งหมดที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะเออใ น, ในจริงๆในคาถาเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยนะใครมากล่าวเทาว้าสกะเทา้าส ก, ก่านาคาถานี้ก็คือคาถาที่พุทธเจ้าเคยกล่าวทุกๆเลยมากล่าวอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอุปจชิตวานิรุต ชันติเตสังวูปะสะโมสุขโขวัสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนามีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเนี่ยนะคำว่าสังขารในที่นี้ได้แก่ขันห้าคำว่านิจาว่าแต่สังขารลานี่ยเาว่าคาถานี้ที่ท้าวส ก, กะเอามาขับเนี่ยเอามาก่าวเนี่ยถามว่าบ่งบอกถึงสัจจะอะไร บอกถึงสัจจะอะไรถ้าหากเราฟังคาถานี้แล้วแยกสัจจะไม่ออกในชัดเลยนะทําไม่แยกอย่างนี้คือคนไม่เข้าใจพระธรรมคำสอนนะอย่างลงอริยสัจไม่ได้รูปนามถามว่าจิตเจตสิกรูปทั้งหมดเป็นขันห้าใช่ไหมนั้นะสังขารในที่นี้ได้แก่ขันห้าจิตคือวิญญาณขันเจตสิกคือเวทนาขันสัญญาขันและสังขารละขัน ส่วนโรปเป็นโรค ป, ประคันเนี่ยแสดงว่าขันห้าสังขารทั้งหลายสังขารทุกสังขารเนี่ยขันห้าทุกขันห้าไม่ว่าจะเป็นขันห้าของอบัยศัสตร์เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลกของมนุษย์ของเทวดาของพรหมเนี่ยขันห้าทุกขันเนี่ยไม่เที่ยงวะงั้นมีการเกิดขึ้นเห็นไหพอบอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าขันห้าเนี่ยเกิดเพราะอะไรเกิด อวิชาเกิดสังขารเกิดเ อ, อ, อาออวิชาเกิดตันหาเกิดกรรมเกิดอาหารเกิดเป็นต้นเนี่ยนะที่ให้อาหารหรือผัสสะเกิดแล้วก็ น, นิพติลักษณะคือลักษณะการเกิดขึ้นของขันเหล่านั้นการเกิดขึ้นของขันห้าเหล่านี้เขาเรียกเขตเกิดของทุกเป็นกลุ่มสมุทรยะสัจจการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขอันนี้เป็นนิโรธาสัจจนะเป็นนิโรธาสัจจ ดับขันห้าได้อย่างถาวรไม่ให้ขันห้าเกิดได้อันนี้เป็นนิโรธเป็นนิพพานปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงนิโรธเป็นมร์เป็นมร์ลักษณะอย่างนี้ถามว่าฉะนั้นสังขตาสังขารสังขารคือกลุ่มขันห้าทั้งหมดเนี่ยอันนี้เขาเรียกสังขารที่มาโดยศักด์ไม่จัดว่าเป็นผลของอวิชชาโดยตรงไม่จัดว่าเป็นผลของอวิชชาโดยตรงมองเห็นไหม เพราะว่าถ้าสังขารเป็นผลเอาของวิชาหมายเอาเจตนาใช่ไหมหมายเอาเจตนาใช่ไหมเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปเจตนาที่เป็นอนเนจรชาแล้วกายจสังขารว่าจีสังขารจิตแต่สังขารเอาในส่วนตรงนี้แต่ถ้าสังขารที่เป็นสังกัดตสังขาร bidding? นี่เอาหมดเลยรูปที่เกิดจากกรกกรมก็เอาเกิดจากจิตก็เอาเกิดจากอุตุก็เอาเกิดจากอาหารก็เอาที่มีกรรมจิตอุตุอาหารปรุงแต่งนีๆๆ่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ ทีนี้อภิสังคัตอภิสังคตาสังขาร ค, าคือรูปนามที่ถูกกรรมปรุงแต่งโดยตรงอันนี้เอารูปนามที่ถูกตัวกรรมปรุงแต่งไม่ใช่เอ า, ารูปนามที่เป็นผลของอวิชชาเนะรูปนามที่ถูกกรรมปรุงแต่งไอตัวกรรมตัางหาที่ไปปรุงแต่งรูปนามให้เกิดขึ้นไม่ใช่เอาตัวสังขารที่เป็นผลของอวิชชาแต่เอาตัวเป็นตัวปรุงตแต่งได้แก่โลกิอวิบากและกรรมมชรูป อาภีสังคาตสังขารนี้ส่งข้อเข้าในสังคาตสังขารด้วยคืออย่างนี้รูปนามรูปนามเนี่ยนะถามว่าโลกเกียวิบากเนี่ยโลกเกียบากนี่เป็นนามใช่ไหมเป็นวิบากใช่ไหมมีอะไรบ้างอะโลกียบากเนี่ยอเหตุตักาวิบากมหาวิบากแล้วก็มหาคาตาวิบากอันนี้พวกโลกียบิบากทีนี้กรมรูปก็คือพวกกรรมไม่ชืรูปเป็นต้นเนี่ยนะ อย่างนี้เรียกว่าอภิสังคตสังขารคือรูปนามที่ถูกกรรมปรุงแต่งหมายความว่าไงเรียกโลกี้วิบากก็เรียกกรรมม่ชรูปเป็นต้นเนี่ยนะเป็นสังขารเป็นสังขารแต่ชี้ลงไปว่าไอ้รูปกับนามอันเนี้ยถูกกรรมต่างหากเป็นตัวปรุงแต่งให้มาไม่ใช่เอาวิชาปรุงมองเห็นใช่ไหมเจตนากรรมตัางหากเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งให้ได้สังขารเหล่านี้ ฉะนั้นสังขารเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกอวิชาทําให้เกิดอันนี้สังขารโดยสัพอะพีสังคณนาคสังขารคือทำที่เป็นผู้ปรุงแต่งโลกย่อยบากและการไปสรูปโดยตรงได้แก่อกศุศลเจตนาสิองโลกยอกศุศลเจตนาสิบเจ็ดอันนี้เอาตัวเอาตัวไปปรุงแต่งโดยตรงเลยเอาตัวกรรมเอาตัวกรรมตัวกรรมที่เป็นตัวปรุงแต่งคือตัวนี้เขาก็เรียกว่าสังขารแต่ตัวสังขาร น, นี้เขาอยู่ในฐานะไปปรุงแต่งอะไร ไปปรุงแต่งปุงแต่งโลกย่ยบากและกาไม่ใช่รูปแล้วคือคืออย่างนี้มองให้ออกพอมองอภิสังครหน้กน า, กาสังขารมองในฐานะว่าเขาไม่ได้เป็นผลมามองในฐานะว่าเขาเป็นเหตุใช่ไหมเขาเป็นเหตุทําให้ผลเกิดขึ้นนี่อันนี้เขาอยู่ในฐานะเป็นอะไรนะเป็นปฏิจจสมุปปาธรรมอะไม่ได้มองในฐานะว่าเขาเป็นปัจจิบปัจจุบันธรรมนี่ แต่มองในฐานะที่เขาจะเป็นผู้ปรุงแต่งวิบากและการมิเชโรไม่เป็นไปใช่ไหมมันเหมือนอย่างว่าเอ๊ะทํามองอีกทีนะถ้ามองอย่างนี้ได้เหมือนกันนะนะบางคนก็บอกมีลูกเนี่ยแต่ต่อมาลูกไปทํากิจการเนี่ยอ๋อเป็นของลูกลูกเขาทําเองไม่ใช่เราทํานะก็ใช่แต่ตอนนั้นลูกเขาไปทําไงมองในฐานะลูกเป็นเจ้าของมองในฐานะที่ลูกเป็นเหตุ ในการที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาใช่ไหมอย่างเช่นว่าท่านทับไปมีลูกเนี่ยนะสมมุติสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะไปมีลูกต่อมาในลูกไปทํากิจการไอ้กิจการที่เกิดขึ้นนะ่ะใช่ไหมจะไปบอกว่าเป็นผลของพ่อของแม่บอกไม่ใช่หรอกลูกมันทําขึ้นกิจการมันใช่ไหมมันเป็นคนทำเองเบีดเสดอย่างเงี้ยมันทําให้มีบ้านขึ้นมามีรถขึ้นมามีสถานที่ต่างๆขึ้นมาเนยะเพราะ มันเข้าใจใช่ไหมของเขาเองใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนการว่าอาภิสังคณกาศสังขารก็คือธรรมที่เป็นผู้ปรุงแต่งวิบากและกรรมรรปโดยตรงอันนี้ชี้ไปที่ตัวสังขารตัวนี้นะชี้ไปตัวสังขารว่าตัวสังขารตัวเนี้ยเขาเป็นผู้ปรุงแต่งนะธรรมที่เป็นผู้ปรุงแต่งไนงะไม่ใช่ธรรมที่เป็นผล<อ>ใช่ไหม ไม่ใช่ไปบอกว่าไอ้สังขารนี่เป็นผลแต่เขาเป็นผู้ปรุงแต่งวิบากมีเข้าใจตรงนี้นะนี่ไม่ใช่เป็นผลของวิชาทีนี้ประการต่อมาประโยคาสังขประโยคาพิสังขารความพยายามการกระทำทางกายและทางใจวิริยะเจสิกที่เกี่ยวกายกรรมและมนโนกรรมไอ้ตัวนี้เป็นประโยคาพิสังขารอันนี้เป็นวิริยะนะไม่ได้เอาเจตนาเอาตัววิริยะ เอาความเพียรทางกายเอาความเพียรทางใจอ่ะวิริยะมาเป็นประธานแต่ไม่ใช่เป็นตัวเจตนาใช่ไหมถ้าเป็นเจตน า, าก็จะเป็นผลของอวิชชาไงตัวนี้เป็นตัวเจตนาไม่ใช่เจตนานใะนความเพียรมีบ้างไหมว่าเพียรทางกายมีไหมเพียรทางใจใช่ไหมลักษณะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สังขารที่เป็นผลของวิชานี่เป็นสังขารโดยสรรร <000. S 1> ับเป็นสังขารโดยสับชื่อว่าเพียรเหมือนกันเป็น เป็นสังขารไหมเป็นเพราะทําให้กลายกลายเคลื่อนไหวหได้เนี่ยและก็ทําให้ทั้งใจคิดนึกลึืพยายามสิ่งต่างๆได้เนี่ยอาการต่อมาคือกายแย่สังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งกายได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไอตัวลมอัศสาสะปัสสาสะไอตัวนี้เป็นสังขารอย่าลืมนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้าไม่มีกายตั้งอยู่ได้ไหม รูปกายจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าขาดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกฉะนั้นในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยไปดูในสูตรทั่วไปถ้าเรียกสังขารเลยระงับกายจสังขารใช่ไหมระงับกองลมอ่ะทำกองลมที่ละเอียดหรือทำกองลมที่หยาบให้ละเอียดเพื่อจะทําให้กายจสังขาร น, นั้นละเอียดไปด้วยอะทํายังไงทำทําลมให้ละเอียดหายใจเข้าใช่ไหม ยาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นแล้วก็ทํามื่อทกายสังขารที่หยาบให้ละเอียดก็คือท evet ําลมอะลมให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เป็นผู้ที่มีกายสังขารที่ละเอียดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า ลมหายใจนั an, ้นเรียกว่ากายจะสังขารเป็นผู้ปรุงแต่งอะไรกายจะตั้งอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องอาศัยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนีเป็นอย่างี้อะการที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ลมนี่เป็นเป็นรูปไหมลมนี่เป็นรูปไหมเขาเรียกอะไรลมหายใจเข้าออกนี่เป็นรูปไหมรูปที่เกิดจากอะไรรูปที่เกิดจากอะไรรูปที่เกิดจากจิตใช่ไหมทีนี้ไอ้ลมที่หายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยนะ เกิดจาิตเนี่ยที่เรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งการกระทำด้วยทำให้มีการหายใจนีเข้าออกเข้าออกเมื่อมีการหายใจเข้าออกแล้วก็ทําให้สรีละยนต์คือรูปกายเนี่ยเป็นไปตามที่ต่างๆนี่กลุ่มของลมอัศสาสะปัสสาสะเป็นกายะสังขารวจีสังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งวาจาได้แก่วิตกวิจารณ์ อันนี้ไม่ไดะ เ, เป็นสังขารเหมือนกันแต่ไม่ใช่เจตนาเนี่ยตัววิตกตัวตรึกใช่ไหมแล้ววิจารณ์เข้าคึงเนี่ยทําให้การพูดเป็นไปได้นั้นตัววิตกวิจารเนี่ยเป็นตัวองค์ธรรมนะอย่าลืมนะวัจีสังเป็นสังขารที่เป็น<อ>ทีนี้จิตตาสังขารคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตได้แก่สัญญาเวทนาและเจสิก้าสิบที่เว้นจากวิตกวิจารณ์อันนี้คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิต แม้แต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตที่เขาเรียกว่าสังขารนะ่ะใครใครช่วยวิเคราะห์ศัพท์นี้ให้ฟังหน่อยที่ปรุงแต่งยังไงอันนี้หมายเอาสัญญาและเจตนาเนี่ยสัญญาและเวทนาให้สังเกตตัวเจตสิกห้าสิบในที่นั้นเนะ่ยยกมาโดยรวมมานะนี่ยกมาโดยรวมคือกลุ่มเจตสิกกรรมนั่นเองถามบอกว่าจิตเหล่านี้ถ้าไม่มีเจตสิกเหล่านี้มาปรุงแต่ง จิตเหล่านี้ก็เป็นไปตามอารมณ์ไม่ได้คือว่าจะเป็นโลภะจะเป็นโทสะจะเป็นอะไรต่างๆที่เขาจะเกิดขึ้นมาได้นี่นะก็ต้องอาศัยจิตเหล่านี้ เ, เจตสิกเหล่านีนะ้เป็นผู้ปรุงเป็นผู้ปรุงแต่งจึงเรียกว่าสังขารข้อสังเกตก็คือว่าในข้อสี่ไปโยคาพิสังขารไม่เอาไม่เอาวิริยะที่เกี่ยวกับวจีกรรมทางวาจานั้นเพราะวิริยะไม่เป็นประธานนะ ทางวาจีกรรมว่าทางวาจีกรรมอาศัยอาศัยอะไรอาศัยการตรึกการตรองเป็นปัจจัยให้การพูดวิตกวิจารเจดสิกเนี่ยนะจึงจะเป็นปัจจัยให้การตรึกการตรองและก็การพูดเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นคำว่าประโยคาพิสังขารเนี่ยความพยายามการกระทำทางกายทางใจนั้นเนี่ยจึงได้แก่วิริยะวิริยะไม่ได้เป็นปจัจจัยในการพูดใช่มันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวต่อไปดูอัด อัดของบุญเดังที่ได้กล่าวอัดของบุญเนะียอัตโนสันตานางปุนาติโสเทเติติปุญญงเนี่ยธรรมชาติได้ย่อมชําระขันสันดาลให้สะอาดธรรมชาตินั้นเชื่อบุญชําระขันความสืบต่อแห่งขันให้สะอาดให้หมดจดเนี่ยนะธรรมชาตินั้นเราเรียกว่าบุญปุญญาสัพท์เนี่ยแปลว่าธรรมชาติที่ชาํชราระชําระขันคือชําระจิตเนะี่ยเป็นต้นนะี่ยนะที่จริงบุญเนี่ยนะ คำว่าบุญเนี่ยมันกินความไปถึงโลกุตระกุศลได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้คำว่าชําระให้สะอาดเนี่ยยันถึงขนาดนั้นได้บุญที่เป็นไปในส่วนของโลกิยะโลกุตระส่วนนั้นเน่ยตัวเจตนาไอตัวธรรมชาติที่ชําระสันดานให้สะอาดธรรมชาตินั้นเชื่อบุญท่านหนปุญญ์ยังอปุญญยังธรรมชาติใดเป็นปฏิปักษ์ต่อบุญธรรมชาตินั้นเป็นบาปเป็นปฏิปักษ์ต่อการให้เป็นต้นเนี่ยนะ การให้ทานการรักษาศีลวันก่อนถามโยมถามว่าอบรมกายทํำยังไงโยมตอบไม่ถูกก็อบรมกายทํำยังไงอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาใช่ไหมเขาอบรมกายเขาอบรมยังไงออย่างพวกเราอบรมกายกันทุกวันไหมต้องกินอาหารนันนะต้องกินอาหารต้องดูแลสุขภาพต้องอะไรต่างๆกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอบรมกายนะอบรมกายแต่อบรมเพื่ออะไร เพื่อเป็นที่ตั้งของศึกขาสามไหมบางทีเราดูแลร่างกายไหมล่ะดูแลใช่ไหมพระดูแลไหมดูแลร่างกายไหมท่านทับดูไหมดูแลร่างกายใช่ไหมบริหารร่างกายต้องดูแลต้องยืนต้องเดินต้องอะไรเนี่ยประคบประง ม, มอะไรต่างๆอย่างนี้ก็เรียกอบรมกายแต่การอบรมกายนั้นเพื่ออะไรถ้าเพื่อให้เกิดกําลังวังชาเพื่อเกิดความเมามาันเพื่อเป็นนักกล้ามนักเพาะกล้ามนี่ไม่เอาเนะอย่างนี้ผิดแล้ว อันนี้เป็นที่ตั้งของกิเลสอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าอบรมกายในศาสนานี้การอบรมกายในศาสนานี้เพื่อจะได้เป็นภาชนะรองรับศิกขาสามที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แม้ถ้าเราบอกว่ามีเพชรราคาสูงงามมากเรามีชนะั้ภาชนะผุผุซะอันเนื้อนะต้องเรียบทําให้ดีนะภาชนะนั่นนะเพื่อจะได้เป็นที่รองรับเพชรนินจินดาที่มีค่าสูงชั้นใดนะ นั่อบรมกายงก็ตั้งอัธยาศัยว่าจะได้เป็นที่ตั้งของการเจริญ ง, งอกงามในอธิศีลเป็นต้น<แ>ถ้าอบรมศีนะ่าทำยังไงอบรมศีลทํำยังไงตนเองเป็นผู้ไม่มีศีลตนเองไม่มีปาฏิโมกสังวรศีนก็ให้ให้มีปาฏิโมกสังวรศีลไม่มีอินทรีย์สังวรศีลก็ทําตนให้มีอินทรีย์สังวรศีลไม่มีอาชีวะปริสุทธิศีนก็ทําตนเองให้มีอาชีวะปริสุทธิศีนใช่ไหม ไม่มีปัจจะยาสันนิสิตาสินก็ทําตนเองให้มีปัจจยาสันนิสิตาศีลไม่มีปฏิโมกสังวรศีลไม่มียังไงไม่ได้สมาทานศีลอย่างใดอย่างหนึ่งก็น้อมที่จะสมาทานศสีอเลยนะ่ะใช่ไหมเน้นก็บชมละตลอดเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะสมาทานแล้วหมั่นดูแลเขาบอกว่าอย่างนี้การดูแลปฏิโมกสังวนเราสินเหมือนคนเลี้ยงโคนะคนเลี้ยงวัวเนี่ยไอคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงวัวเนี่ยเวลามัน ต้องคอยระวัง ไ, ม, ไม่ให้โครหรือวัวของตนเองไปกินข้าวกล้าคนอื่นใช่ไหมถ้าไปจะเสียหายเลยฉะนั้นถ้าหากรักษาศีลก็เหมือนกับรักษาโครักษาวัวเนี่ยอย่าให้มันไปกินของชาวบ้านอย่าให้มันขาดอยากให้มันด่าง ม, มันท้อยมันทะลุมันเป็นรูอย่างนี้มันเป็นอยง น, นี้เข้าจไหมก็ต้องดูแลอย่างนั้นก็เลยอบรมอย่งี้อบรมศีลไม่มีศีลอะไรก็อบรมถ้าไม่มีอบรมจิตแหละ ถ้าไม่มีค่านิการสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิก็ภาพเพียนทําให้มีขึ้นอบรมปัญญาก็คือรรทําทิฏฐิวิสุทธิ์ที่เป็นต้นให้เกิดขึ้นนะัเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาคนอย่างนี้เป็นบุญนะเนี่ยกลุ่มสันตานางปุนาติโซเทนติ ต, ติปุญญ์ยังชําระชําระขันของตอนเองให้สะอาดเริ่มตั้งแต่รูปขันเนะี่ย คือชาระกายกรรมวัีกรรมเนะี่ยให้ดีเพื่อจะได้เป็นที่รองรับของกุศลแศีลเพราะกุศลศีลเกิดขึ้นมาเนี่ยเนะียมันก็ชาระโทสะได้สมาธิกุศลเกิดขึ้นมาก็เป็นชาระการมาคุณได้ปัญญากุศลเกิดขึ้นมาก็ชาระมิจฉาทิฐิได้อันนี้เราก็ก็ตรึกพิจารณากันไปตอนนี้ชาระอะไรเดาบ้างยังว่ายางอันนี้เป็นบุญนะ ถ้าหากว่าธรรมชาติใดเป็นปฏิปักษ์ถ้าเป็นอบรมกายเหมือนกันแต่จิตนั้นไม่ได้เป็นไปกับบุญเลยอันนี้เป็นปฏิปักษ์ต้องข้ามแล้วเขาออกกําลังกายก็ไปออกเข้ามั่งเลยเพื่อจะให้แข็งแรงจะได้อยู่ในโลกนี้นั่นนะสุขภาพก็จะได้ดีเดี๋ยวนี้มีเยอะนะศูนย์สุขภาพพวกนั้นอะไรก็จะต้องเน้นสุขภาพหมดอาหารเพื่อสุขภาพอะไรเพื่อสุขภาพเต็ไมไปหมดเลยแต่เชื่อไหมอย่างนั้นนะไม่เรียกว่าอบรมกายนะ ไม่ได้อบลมกายแล้ว ป, ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเจตนาของผู้ออกออกเพื่ออะไรไไไทีนี้ปัญหาคือการอบที่เขาทํานั้นถ้าหากว่ามันอยู่ที่เจตนาของคนกระทำนะแล้วไปตอบรวมๆเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่านะเวลาที่เวลาที่พระนี่นะท่านเมื่อยล้าท่านก็ไปเดินเนี่ยเพื่อที่จะทําให้กายนะั้นเนี่ยเป็นอยู่ได้ แล้วก็สุขภาพดีเนี่ยแต่ท่านไม่ได้คิดอยู่แค่นั้นไงการทําในลักษณะอย่างนี้ก็คือท่านเป็นการหนึ่งอบรมกายท่านด้วยเพื่อจะได้เป็นที่ตั้งของศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอย่างนี้ท่านในกรณีอย่างนี้ชื่อว่าอบรมกายในพุทศาสนานีในพุทศาสนาท่านไม่ได้ทําไปเพื่อกิเลสตัณหาไม่มีตัณหามานาทิฏฐิอิงอาศัยในขณะทำ ถามว่าถ้าในขณะทําตระหนารรมันทาานะิฏฐิอิงอาศัยไหมถ้ามันอย่างนั้นก็ใช่อบรมกายแต่ไม่เรียกว่าในศาสนานี้ไม่ใช่ในศาสนาถ้าหากจะทําก็บอกกันให้ถูกให้เข้าใจกันแล้วกันประกาศบอกกันด้วยคนไม่รู้มันเยอะกว่าคนรู้ใช่ไหมเขาจะได้ตรึกพิจารณาได้ถูกโอ้ถ้าอางนั้นเนี่ยตื่นขึ้นมาพากกไปบินทำบาตรไปออกกําลังกายทํางานทําการอะไรกันเนี่ย มันเป็นธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุญมันก็เลยเป็นบาปไปต้องระวังตรงนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวมันเป็นธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุญอะไรที่มันมันไม่เป็นไปเพื่อกุศล น, น, นะนะอันนั้นก็ต้องเป็นบาปแน่นอนถึงแม้รูปแบบเป็นบุญก็คือบาปเมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยท่านเจะเ จ, ะจะ้าวาดหลวง่ใหญ่พูดบอกว่าบุญเนี่ยว่าไงรากศัพท์เดิมนั้นมาจากคาว่าปุญญะเขา เป็นภาษาบาลีท่านว่าเงี้นต่อมาปอปลาเนี่ยหายตัดตัดหางปอปาไปให้มันสั้นลงก็เหลือคําว่าบุญว่าเงี้นบุญก็เรียกง่ายๆคําคว่าบุญว่งี้ยเห็น ไ, ไหมว่าที่จริงก็คือตัวนี้เนี่ธรรมชาติใดย่อมชําระขันชําระกายวาจาและใจของตนเองให้สะอาดนั่นเองธรรมชาตินั้นชื่อว่าบุญชื่อว่าบุญก็คือชําระตัวนั้นนะเป็น ทีนี้ตัวที่เข้าไปชะนะําระเนี่ยมันต้องเป็นตัวพวกศีลกุศลสมาธิกุศลและปัญญากุศลถนะึงจะชะําระกายวาจาและใจให้สะอาดจึงจะเรียกว่าบุญนะแต่ว่าถ้าบาปเนะี่ยมาจะเขาา้า่ปาปาปะทันว่างกนะัน <c oughs> เลยเรียกกันสั้นๆว่าเป็นบาปเป็นบอ่อใบไม้ตัวหน้าตัวหลังไปที่จริงตัวนี้นณะปุณย์ยังอปุณย์ยังในธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ตบุญนะ อะไรที่มันไม่ใช่บุญเป็นปฏิปักษ์ต่อบุญแล้วก็ต้องมีผลเป็นทุกข์ด้วยนะจริงๆแล้วนะอินชตีติอนินชังอนินชังเยาวะอาเ น, นินชาเนี่ธรรมชาติใดเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอานินชาธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวนั่แหละชื่อว่าอาเนินชาดังที่ได้บอกว่าอาเนินชาธรรมคืออะไรบอกไปแล้วอาเนินชาธรรมคืออะไรนะอารมุปกิริยาแล้วก็อารมวิบากเออ นั่นแหละอรุปกิริยาและอารปวิบากอันนี้เป็นอน en ชัธรรมธรรมที่ไม่หวันไหวทีนี้ประการต่อมาธรรมชาติใดเป็นบุญด้วยเป็นผู้ปรุงแต่งให้ผลและบุญเกิดขึ้นโดยตรงด้วยฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าปุญญาพิสังขารชื่อว่าบุญและในขณะเดียวกันปรุงแต่งให้ผลของบุญเกิดด้วยอะไรคือผลของบุญดังที่ได้กล่าวไว้แล้วใช่ปรุงแต่งให้ได้นาม เกี่ยวกันเรื่องของถ้าหากว่าเป็นเจตนาที่ในมหากุศลเจตนาที่ในรูปกุศลเนี่ยไอตัวนี้เป็นบุญด้วยธรรมชาติใดเป็นบุญด้วยเป็นผู้ปรุงแต่งและเจตนากรรมเหล่านี้เราก็เป็นผู้ปรุงแต่งให้อเหตทธุกกาภุศลนิบาศแล้วก็มหากุยบากเนี่ยเกิดขึ้นโดยตรงชนัธรรมชาตินั้นเรียกว่าปุญญาทิสังขารเขามีหน้าที่ปรุงแต่ง ท, ทุกขณะ ที่มีเจตานาเป็นประธานเนี่ยเขาจะปรุงแต่งวิบากไหมปรุงแต่งวิบากที่เป็นนามเป็นรูปเรียบร้อยแล้วบางทีเราบอกว่าเราฆ่าสัตว์ไปแล้วบอกโอขอโหสิกรรมว่างั้นที่เราได้ฆ่าไปแล้วเนี่ยแต่รูปนามที่เป็นวิบากปรุงแต่งเรียบร้อยหรือยังปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วเจตานานั้นสําเร็จแล้วสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตที่จะฆ่าทําความเพียร เพื่อฆ่าสัตว์นั้นก็ตายลงเพราความเพียรพอตายลงแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยแปลว่าเจตนาปรุงแต่งเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วไอตัวเหตุสร้างแล้วผลเกิดได้อย่างผลที่เป็นในปฏิสนธิการยังไม่มาแต่ถ้าในทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมเนี่ยเขาอาจจะให้ผลยังไงก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าคนหนึ่งที่บอกว่าชอบเข้าป่าไปก็ตัดขาลิงตัดขาลิงมาเนี่ยนะ ได้ลิงมาแล้วก็ตัดเท้าตัดเท้าตัดเท้าเงี้ยแล้วก็มัดหามมาหาบมาอเงี้ยเอาเพออยู่ต่อมาเนี่ยตนเองก็ได้ลูกคนหนึ่งซึ่งแขนขาไม่มีเงี้ยนะไอลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นทิฏฐาธรรมเวทนากรรมนะที่ส่งผลให้ให้ชายผู้นี้ได้ได้ได้เห็นอย่างเงี้ยได้ยินแบบเนี้ยได้กลิ่นได้สัมผัสได้รับรู้อะไรต่างๆเหล่านี้อย่างนี้เขาเรียกเป็นทิฏฐาธรรมเวทนียกรรม ส่งผลในอัตภาพนี้ยังไม่ได้ส่งผลในปฏิสนธิการพราะคนละกล่อมแต่อุปชาเวทนียกรมปปรมอป布拉布拉เวทนียกรรมยังไม่มีโอกาสส่งนะถ้ามีโอกาสส่งเ้าให้ปฏิสนธิวิบากกรมกรมไม่ช่วลูกลูกเขาก็กรรมของเขาอีกคนอีกอย่างเขาเรียกมันสอดคล้องกันไหมล่ะเห็นไหมกรรมจะสอดคล้องกันนี่บางคนไม่เข้าใจบ่าโอ๋เห็นไหมว่านั้นยนะพ่อทํากรรมตกถึงลูกแบบนั้นนอะแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหม นี่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่หรอกคนที่ทำกรรมสอดคล้องกันเนีใช่ไหมโทสะนี่นะโทสะสองดวงก็จริงนะแต่คุณอารมณ์คุณทุจริตสามแล้วคุณพฤติกรรมในการกระทําที่พิสดารอีกมากมายมันสอดคล้องกันกันเยอะแต่ไม่เหมือนกันเลยนะเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยกรรมไม่เหมือนกันเลยถ้ากรรมนี้ส่งผลนะเนะ อาปุญญปุญญาปุญญญาตตังอภิสังคารโอชาติอปุญญาพิสังคารโรทำใดเป็นบาปด้วยเป็นผู้ปรุงแต่งให้ผลบาปเกิดขึ้นโดยตรงด้วยฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาปุญญาพิสังขารอปุญญาพิหยังสังขาร น, นี่สังขารคือบาปสังขารคือบาปได้กล่าวไปแล้วนในเรื่องของอกุศลในเจตนาอปุญญาพิสังขารเนี่ยเส่วนประการต่อมาก็คืออาเนนชะ อเนนชันจะาตังอภิสังขารโอชาติอเนนชาภิสังขาโรธรรมชาติใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยเป็นผู้ปรุงแต่งให้ผลของตนเกิดขึ้นโดยตรงด้วยฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเนนชาภิสังขารตัวนี้เป็นอรูปขุศลเจตนาสีที่ให้วิบาวเหมือนกันกับตัวนั้นเป็นนามันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกันกับตัวนั้นแล้วว่ากันเกิดขึ้นมานี่เป็นอนเนนชาภิสังขาร กายยังสังคโรตีติกายยสังคารโธรรมชาติใดเป็นผู้ปรุงแต่งกายฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ากายยสังขารอันนี้อธิบายซ้าวาจังสังคโรติติวัจีสังคารโธรรมชาติใดเป็นผู้ปรุงแต่งวาจาฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวัจีสังขารจิตตังสังคโรโอติติจิตตสังคารโธรรมชาติใดเป็นผู้ปรุงแต่งใจฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตตสังขารสรุปก็คือว่า ในสังขารหนี่นะปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารกายสังขารจิตตัวจีสังขารและก็จิตแต่สังขารเนี่ยนะสังขารที่เป็นผลของวิชาเนี่ยก็เพราะว่าเมื่ออวิชาที่บอกอวิชาปัจยาสังขารลาสัมภวรติสังขารทั้งสามปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชาเป็นเหตุว่าไงเพราะอาศัยอวิชาเป็นเหตุสังขาร สามเหล่านี้จำแนกโดยทวารได้ไหมปุญญาพิสังขารและอปุญญาภิสังขารเหล่านี้สําเร็จได้ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเห็นไหมครบหมดแล้วอปุญญาพิสังขารเดี๋ยวค่อยไปกายสกายกายกรรมที่เป็นปุญญาพิสังขารมีไหมเป็นอปุญญาพิสังขารก็มีวจีกรรมที่เป็นปุญญาสังขารอปุญญาพิสังขารมโนกรรมที่เป็น ปัญญาพิสังขารและปุญญาพิสังขารเนี่ยนะส่วนปุญญาพิสังขารที่เกี่ยวกับรูปกุศลเจตนาเนี่ยนะสําเร็จเป็นมโนกรรมอย่างเดียวอันนี้เป็นมโนกรรมอย่างเดียวนะเป็นกายสังขารวจีสังขารไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมอ๋อเพราะอะไรการเจริญฌานเนี่ยเจริญทางทวารตาทวารทวารกายทวารวาจาไม่ได้อ่าทำไมทําไมเป็นอย่างนี้นจริงๆใช้ทวารใจเป็นตัวนั้น แล้ เ, เขาเป็นมโนโกรรมอย่างเดียวเขาเป็นสําเร็จมโนมโนกรรมไงฌานสมาบัตินี่ต้องเป็นมโนกรรมเนอะฌานสมาบัติฌานสมาบัติจะเป็นมโนกรรมทีนี้ฌานสมาบัติที่เป็นรูปกุศลเนี่ยเขาสามารถให้ปริจตธรรมได้ก็เพราะเ้าให้รูปไงเขาให้รูปไ ง, เ ข, ปไงเขาไม่ได้ให้ อ, อ, อเนนเชธรรมเขาไม่ได้ให้อนเนนเช่รรมเขายังให้รูปที่ยังมีความหวั่นไหวอ ย, อยู่ใช่ไหม แต่ว่าทําทางมโนกรรมนะีอย่าลืมนะฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุตาฌานปันจมะฌานเนี่ยต้องเกี่ยวกับทางทวารใจคือมโนทวารเท่นั้นเนะี่ึงจะสามารถยังฌานสมาบัติเหล่านั้นให้เกิดขึ้นใช่ไหมอภิน ญ, ญาเนี่ยไม่ให้นะอภิน ญ, ญาไม่เป็นสังขารนะเพราะไม่ให้วิบากไม่ให้วิบากอนเนนชาพิสังขารก็สําเร็จได้โดยมโนกรรมอย่างเดียวเท่านั้นอนเนนชาพิสังขารเนี่ยนะี ส่วนสังขารด้วยอํานาจแห่งกุศลกรรมบทและปุญยาวัตถุนี้จะคิดยังไงเนี่ยปุญญาพิสังขารสําเร็จด้วยอํานาจของทานศีลภาวนาอนปุญญาพิสังขารก็สําเร็จด้วยอํานาจแหง่งทุจริต10อย่างใช่ไหมปานาติบาตาินาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาตปิสุณาวาจาพุทสวาจาสัมผั พ, พลาปะอภิชาพยาบาทมิชฌาทิฏฐิอันเนี้ยปุญญาพิสังขารสําเร็จด้วยอำนาจทุจริต10อย่าง ส่วนปุญญาพิสังขารเนี่ยสำเร็จด้วยอำนาจของทานใช่ไหมอันในกลุ่มของทานนี่แยกออกเป็นปุญกิริยวัตถุได้ไหมมีอะไรบ้างวะทานากุศลและอะไรอีกส่งข้อเข้าทานเนี่ยอปจายนะนี่เป็นอะไรไวายาวะจะปฏิทา น, นะนี่เป็นทานนะใช่ไหมปตานุโมทนาเป็นทานทานเป็นคือการให้กับการให้ส่วนบุญ และการอนุโมทนาส่วนบุญสามส่วนนี้เป็นส่วนของทานใช้กายได้ไหมอภิญญาณในการอ่อนน้อมใช่ไหมเวียวัจจะในการประพฤติประโยชน์อันนี้กลุ่มศีลอยู่ในศีลกุศลใช่ไหมส่วนธรรมสวระฟังธรรมธรรมเทศนาแสดงธรรมแล้วก็การทำความเห็นให้ตรงที่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นภาวนากุศลในกลุ่มของภาวนา นธานศีลภาวนานี่เป็นบุญหมดแหละปุญญาวิสังขารส่วนอเนญชาพิสังขานี่เป็นภวนาอย่างเดียวใช่ไหมอเนญชานี่เป็นสมถะภาวนาด้ยเสมอนี่เป็นอย่างนี้มีใครสงสัยอะไรไหมล่ะดูอย่างนี้นะอวิชชาปัจจะยาสังขาราสัมพวันติเนี่ยสังขารสามปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุดูในหลักสูตรนะปุญญาพิสังขารเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุ โดยสรุปของเขาเขาบอกว่าผู้ที่เลื่อมใสในการทำบุญกุศลต่างๆให้ทานรักษาศีลภาวนานะ่ปรารถนาการไปเกิดในสุขติมีความสุขกายสบายใจต่อไปในชาติหน้าเนะี่ยยิ่งกว่าในชาติปัจจุบันหรนั้นเพราะยังมองไม่เห็นโทษของทุกขศัสตร์กับสมุทยัยสัจจะอันนี้จริงเลยนะไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของการที่จะไปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ไม่เห็นโทษในการที่จะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนียไม่เห็นทุกข์ถ้ากลุ่มจริงๆก็คือไม่เห็นอะไรไม่เห็นโทษของโลกียกุศลแปดสิบเอ็ดเอ้อขอไปโลกียกจิต 81. แปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบเอ็ดเว้นโลภารูปยี่สิบแปดไม่เห็นโทษของสภาวะธรรมเหล่านี้แล้วก็ไม่เห็นโทษของสมุทัยสัจจะคือกลุ่มของตันหาเนี่ยนะนี่กลุ่มนี้ไม่มองเห็นโทษของ ทกกับไม่เห็นโทษของสมุทยัยก็ปรารถนาพบปรารถนาขันอันนี้อวิชาเป็นตัวปิดทําให้ทําบุญนด้เลยมองไม่เห็นคุณของนิโรธกับมองไม่เห็นคุณของมรรคไม่เห็นคุณของพระนิพพานยังไว่าเป็นสาวุปาที่เสสานิพนันนานุปาที่เสสานิพานเป็นต้นโดยเฉพาะเนี่ยไม่เห็นอนุปาที่เสสานิพานธาตุนะไม่เห็นว่านิพพานธรรมชาติที่ดับ ร, รูปนามกันห้าเนี่ยดับกิเลสและรูปนามกันห้าเนี่ยไม่เห็นสภาว่าอย่างนั้นไม่เห็นคุณเฮ้ยถ้าดับกิเลสและรูปนามกัน5ไม่มีนี่จะมีประโยชน์อย่างไรนี่ไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เห็นคุณของพระนิพพานนี่ยนะคุณของพระนิพพานเมีเยอะนะอะไรนะอมตะตังอสังฆตัง อ, อนุตตะลังเป็นต้นนี่ยนะธรรมชาติที่วิราคานะเนี่ยธรรมชาติที่สิ้นจากราคะธรรมชาติที่สางความมัวเมาธรรมชาติที่ หมดความละหายเป็นตด้เนี่ยนะลักษณะที่ว่าไม่เห็นคุณของนิโรธใช่ไหมไม่เห็นคุณของพานิพานเนี่ยเออถ้ากลุ่มเนี่ยใครเคยเจริญอุปัสมานุสติไหมพิจารณาเอาพานิพานเป็นอารมณ์เน่ยใครใเคยเจริญเจริญไหมไม่เคยเลยเลยโอ้เจริญยาวกันนะเอาพานิพานเป็นอารมณ์นะ พระนิพพานเป็นอุปสมานุสติไงการระลึกนึกถึงคุณของพระนิพพานเนี่ยมนีจะนึกยังไงคือบางทีนบางกลุ่มก็คิดอย่างนี้ข้าถามออกว่าชาติคือการเกิดเนี่ยนะเป็นชาติคือการเกิดขึ้นของขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์การไม่มีชาติคือการเกิดนี่เป็นสุขจริงนาเนี่ยอันนี้เป็นพระนิพพานนะชราคือความแก่เนี่เป็นทุกข์เป็นความทรมานอย่างยิ่ง ธรรมที่ดับชราคือความแก่เนี่ยสงบสุขจริงหนอเนี่ยอันนี้เป็นพระนิพพานชาติชรามรณะเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความวิบัติพัดพรากต่างๆเหล่านี้เป็นทุกขชาติที่ทุกชลาทุกมรณะทุกเป็นต้นก็คือการเกิดของขันความแก่ของขันความตายของขันความโศกของขันความร่ำไรลําพันของขันเป็นต้นเน่ยล้วนแต่เป็นอาการของทุกข์ทั้งนั้น แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือพระนิพพานท่านก็เห็นคุณเห็นประโยชน์ของพระนิพพานจริงๆว่าถ้ามันเหมือนอย่างนี้ท่านจะคิดถึงพระนิพพานบ่อยอ่ะหกล้มตูมนี่ท่านคิดแล้วบโอ้โหถ้าหากนิพพานเสียมันก็ต้องไม่ต้องมาเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องมาทรมานอย่างนี้ใช่ไหมใช่ท่านก็ถ้าเราอย่างสมมติว่าตอนนี้ท่านนี้ปวดฟันใช่ไหมเนี่ย ท่นสมทบไปไปถอนฟันบอกถ้าไม่ถ้าเข้านิพพานเสียเราก็ไม่ต้องมาปวดฟันเน่ะเห็นไหมล้วก็คิดตรึกพิจารณาไปดิโอ้คุณของนิพพานเนี่ดีนะเนี่ยไอคุณของการที่เราเลยไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ใช่ไหมว่าโอโ้โหยกตัวอย่างเช่นว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมากินต้องมายืนต้องมาเดินต้องมานั่งมานอนมาขับมาถ่ายหูถ่ายยากถ่ายยันสมมุติบางวันเนี่ยนะลําบากลาบนจริงใช่ไหมใช่ เดี๋ยวก็อ้าวต้องไปนอนอีกแล้วมันปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวอะไรมันทุกข์ทั้งนั้นเลยของพวกเนี้ยถ้าหากนิพพานจะได้เนี่ยเราก็จะพ้นจากทุกขเหล่านี้ก็เห็นคุณของพระนิพพานต่อมาก็คือตรึกเข้าไปในส่วนของปฏิบัตากล่าวคืออริยมรรคม 8, ีองแปดใช่ไหมว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสาัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยว่า กลุ่มของว่าถ้าหากในลักษณะว่าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเขาก็จะคิดผิดเมื่อเขาคิดผิดเขาก็พูดผิดเมื่อพูดผิดเขาก็ทําผิดนะเมื่อทําผิดเขาก็เลี้ยงชีพผิดเนี่ยเมื่อเลี้ยงชีพผิดเขาก็เพี้ยนผิดเมื่อเพี้ยนผิดเขาก็ละลึกผิดเมื่อละลึกผิดเขาก็ตั้งมั่นผิดพอคิดอย่างนี้เอาเออนี่ไม่ใช่ปฏิปทาเข้าไปถึงนิพพานนะเนี่ยนี่มันปฏิปทาเข้าหาทุกข์ ปฏิบัตาข้อปฏิบัติอันนี้มันเข้าหาทุกนี่การคิดผิดในความเข้าใจในพระธรรมคําสอนผิดพลาดใช่ไหมทีนี้ถ้ามันคิดถูกก็จะดําหลี่ถูกแล้วดี๋ยนี้คิดถูกคิดยังไงใช่ไหมคิดที่เป็นสัมมาทิฐิมันก็ดําหลี่ถูกดําหลี่ออกจากกามดําหลี่จากกม่ไม่พยายามดำริจากการเห็นผิดเนี่ยมันก็ดําหลี่ออกแล้วมันก็จะพูดถูกแล้วอาชีพก็จะถูกการกระทําก็ถูก แล้วเพียรก็จะถูกตนะังเนี้ยเพียนในการละบาปเพียนทงกิจสี่อย่างขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยเพียรไม่ให้บาปเกิดเพียรละบาปเพียนเจริญบุญเพียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วบ่มกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็ระลึกระลึกทุกแล้วก็ตั้งมั่นก็ถูกระลึกในสติปัฏฐานใช่ไหมสติก็จะเป็นไปกับกรรมาฐานสติก็จะเป็นไปกับบุญเนี่ยนะถ้าในลักษณะอย่างนี้มันออกนี่ ใชถ้าลักษณะแต่ถ้าหากเจริญบุญอะไรที่เราเจริญกันเนี่ยปรารถนาขันปรารถนาลักษณะพราะไม่เห็นไม่เห็นคุณของพระนิพพานกับไม่เห็นคุณของอริยมรรคเราไม่เห็นใช่ไหมถ้าเห็นจริงๆเนี่ยไม่มีใครลอกที่ไม่อยากพ้นทุกข์อันนี้มันไม่เห็นมันไม่เห็นใช่ไหมภาษาเหนือเขาว่าไงบอกเห็นกาบอเห็นกาคือมันไม่เห็น เทไลทับไอแถวภาคตายเขาเล่าไงไอไม่เห็นนี่ก็ล่าไงลักษณะนี้คือไม่เห็นไม่เห็นคุณของนิโรธกับมรรคที่มองไม่เห็นโทษของไม่มองเห็นโทษและคุณของอริยาาสัจสี่ด้วยนำนาถึงอวิชชาอย่างนี้เห็นชัดเลยนะว่าอวิชชาปกปิดพอวิชาปกปิดไว้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนากัน มหากุศลจิตแปดมหากุศลเจตนาที่เกิดขึ้นนะ่ที่ปารบการเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้มีปัญญาไหมบอกมีแต่ปัญญานั้นมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นอยู่นะเจตนาทำเนะี่ยบางทีก็ไปพิจารณานะว่าเออเนี่ยถ้าหลายๆคนบอกเถ้าเป็นเทวดาเนี่ยจะพ้นจากความเศร้าโศกได้เหมือนกันไนหะเนาะแต่ที่ไหนได้เเทวดาก็ยังไม่หมดนี่ ขนาดไปเกินเป็นพรหมอ่ะนะไปเป็นพรหมนะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ก็คือปรารถนาความสุขที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสูงกว่านั้นก็คือปรารถนาเป็นพรหมเนี่ยนะการปรารถนาในลักษณะอย่างนั้นก็ยังชื่อว่าไม่เห็นโทษและเห็นคุณของอริยสัตว์อริยสั์นั้นมีส่วนของคุณอยู่สองส่วนของโทษอยู่สองเนะถ้าทุกขับสัต์และสมุทยาสัจญานี้เป็นโทษไหมเป็นโทษโดยส่วนเดียว ส่วนนิโรธาสัจจะแล้วมกษัตริย์นี่เหมือนมีคุณนะมีคุณมีประโยชน์อำนาจอาวิชานั่นเองที่เป็นปุญญาพิสังขารเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอาวิชาเป็นเหตุ ด, ด้วยอาการในลักษณะอย่างนี้เออถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงอวิชาสังขารที่เป็นผลของอวิชามากนะพยายามหลีกเลี่ยงตรงนั้นนะึงพยายามหลีกเลี่ยงให้มากเลยนะตั้งอัธยาศัยที่จะจะไม่มีอวิชาเป็นปัจจัยถ้าอย่างนั้นเจ็บปวดไหย ชีวิตก็เจ็บปวดในวัฏฏามากเอาไม่พ้นหรอกอย่างเร า, เร า, เราทั้งหลายนะเราย่าคิดว่าเราแน่นะคิดว่าแน่ไม่เน้นไม่แน่นะให้คิดอย่างนั้นอาปุญญาพิสังขารเกิดขึ้นเพราะสายอาวิชชาเป็นเหตุพิจารณาอย่างไรโดยรวมความเห็นผิดไม่เชื่อบุญแม่ไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยนะบาปที่กระทําไปแล้วที่จะให้ผลต่อไปคือให้ทกต่อไปตลอดกาลนานก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิด กลุ่มพวกนี้ก็คือทุจริตกรรมทั้งหลายนะเออในกลุ่มของพวกกิเลสหนาเนี่ยนะกิเลสหนาเกี่ยวกับกลุ่มปาณาติบาตทิณาทานเนี่ยข่าสัตว์ลักทรัพยเพื่อพื่อผิดในการเป็นต้นเนี่ยลักษนะอย่างนี้คือกลุ่มกลุ่มมีนิวร์แรงๆนี่เสียหายเงินนะนะมีเพศอะไรนะมีอย่างนี้เขาเรียกกิเลสสาวรมีกิเลสสาวรคือนิวร์คือกิเลสเป็นเครื่องกั้นเนี่ยเวลาจะทําดีทีไรมันกั้นปุ๊บปุบปบหมดเลย กั้แรงมากนะกลุ่มเนี้เคยเป็นไหมที่มันกั้นแรงๆนะเคยเป็นไหมประเภทที่ว่ากั้นแต่ละทีเนี่ย โ, โหประเภทที่เพลินในเพลินในบาปนี้ได้นานมากอแล้วถ้าอยู่กับโลภะเนี่ยบางคนอยู่<ม>ได้เป็นวันนะอย่าวัน่ลืมนะโลภะเนี่ยอยู่เพลินๆเนี่ยการการอยู่กับบาปอย่ไปหาไม่เพลินนะโําเนีมน่มันเพลินอยู่กับบาปแล้วเ ร, เราเคยนั่งตาหนี่เขาทั้งวันเหมือนกันไหมไ ม, ไ ม, มองที่ไรก็ตําหนี่มองที่ไรก็ตําหนี่ เราก็ได้บาปอนกันนะปารบทีแรกเป็นเหมือนบุญพอครั้งที่สองสามออกมาแล้วเป็นบาปไปเลยเลยแยกกลุ่มเลยตอนนี้นี่เป็นอย่างงี้นะคือไม่เห็นโทษของอะไรไม่เห็นโทษของทุกข์ษัตริย์แล้วก็สมุทัยสัจจะไม่เห็นคุณของนิโรธแล้วก็มรรคเหมือนกันกลุ่มพวกเนี้ยไม่เห็นโทษแต่ไม่เห็นโทษหนักด้วยนะเช่นไม่เห็นโทษของทุกข์แนบายอ่ะไม่เห็นโทษของทุกข์ในบายเลย เช่นเจตนาเจตนาที่เกิดขึ้นร่วมกับโทสะร่วมกับโลภาร่วมกับโมหะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เห็นนะว่าตนเองแต่จะเป็นสัตว์อบายในอนาคตก็ไม่เห็นหรอกมันปิดเลยเห็นไหมว่าเช่นวราจะโกรธเงี้ยจะฆ่าจะฆ่าเนี่ยเขาก็ทําแต่เขาไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษถ้าเขารู้จริงเ่ยว่าจริงๆเนี่ยเขาจะได้ทุกข์สัตรว์ในอบายจะได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในไบยพบ กรรมที่เขาทาอย่างเนี้ยนี่เขาไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมเพราะอาวิชาปิดอวิชาเป็นเครื่องกลางกาั้นเะน่ยนะถามว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้จึงไม่น่าโกรธนะจึงน่าเห็นใจเลยนะไปว่าเขาไม่รู้จริงๆทีเออ่เราก็ยังไม่พ้นไงไอ้ตรงเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วน่าสงสารใช่ไหมบางทีเราเห็นญาติญาติได้ซ้ไปข่าศัตร์บ้างลากทรัพย์บ้างอะไรบั้งเนี่ยนะก็ทําทไมด่ดีไม่งามต่างๆ่างเาเนี้ย เขาก็บอกโอ้ยทาถ้าหากว่าบางกลุ่มเนะีเขาบอกโอ้ยตารวจไม่เห็นใครไม่จับได้เขาก็ยังถือว่าเขาสบายอยู่พวกนี้หนมามอ่ะถ้ากลุ่มพวกนี้เป็นอปุญญาพิสังขารมีอวิชชาเกิดขึ้นหนาแน่นมาทปาปาณอาทิบาตอาทินาทานแล้วก็ยังไม่เห็นโทษของการกระทาที่ตนเองจะได้รับในอบาบยภูมิใช่ไหกลุ่มเหล่านี้ตกนรกแน่นอนระว่างั้นโดยส่วนมากนะ ถ้ากรรมเหล่านี้ส่งผลก็ตกนรกแน่นอนอย่างนี้เป็นอปุญญาภิสังขารส่วนอาเนีนชาพิสังขารน่ยนะบุคคลบางคนเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของสัตว์ทั้งหลายที่มาจากรู ป, ปรธรรมเป็นเหตุนะเช่นมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเนี่ยนะนะทําให้เกิดความอยากเห็นอยากได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะและที่สําคัญที่สุดก็คือกายนี้เป็นที่ตั้งของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกลุ่มพวกนี้เห็นนะ จักคูโรโคโซตาโรโคครับฐ า, า, า, า, า, า, า, า, านเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุเราดูยังไงว่าอาเนนชาพิสังขารเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุตัวอวิชชาได้แก่โมหะเจตสิกที่ในอรูปส่วนตัวสังขารได้แก่ตัวอาเนนชาพิสังขารได้แก่เจตนาที่ในอรูปอรูป อ, ร, ปอรูปกุศลสี่ ไกลกันลิบเลยนะถามบอกว่าพวกนี้อยู่ในฐานะมีอวิชชาเป็นอัธยาศัยมีมีมีมอวิชชาเป็นอุปนิสัยในแง่ของปกตูปนิสยาปัจจัยอ่ะในแง่เนี้ยนะที่จริงยังไม่ไล่ดูในด้านของไอ้การเป็นปัจจัยแก่กันและกันนะียเดี๋ยวต่อไปจะไล่ดูว่าึ้นเป็นปัจจัยแก่กันและกันยังไงยกตัวอย่างเช่นว่าอาเนียนชาพิสังขารเนี่ยนะ อเนียนชาพิสังขารเนี่ยคนที่ยังปรารถนาใช่ไหมคนที่ปรารถนาอเนียนแช่ธรรมเนี่ยปรารถนาอรูปธรรมคือนามขันศีรที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะไอตัวปรารถนาเนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวกลางกั้นทําให้ตนเองคิดอย่างนั้นเนี่ยความคิดของตนเองที่คิดที่หวังหวังขันเนี่ยนะหวังขันเนี่ยไม่ใช่หวังนิพพานเนี่ยนะไม่ได้ปรารถนานิพพานเนี่ย ที่จริงก็คืออยู่ในฝากฝ่ายของการไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษของทุกข์ขัตริยเหีืหนึ่งไม่เห็นโทษของสมุทยาสัจจะเหมือนกันถามว่าเห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายไหมเห็นเห็นโทษของการเจ็บป่วยเป็นต้นไ้มเห็นเห็นทุกข์ต่างๆที่มีขึ้นเพราะรูปประคันไม่เห็นแต่ว่าเขาเห็นอย่างนั้นน่ยเขาบอกว่าจริงอยู่คนมีรูปเนี่ยเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีรูปทีถึงจะเป็นสุขใช่ไหม คนเราจะปวดจะเมื่อยเป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือจะเจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้เป็นต้ น, น, ตนก็เพราะมีรูปมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ยเราจะสุขใช่ไหมเออเราจะต้องไม่เราไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายนี่ถ้ามีแต่นามมาทำอยู่เนี่ยถามว่าเกิดดับก็จริงอยู่แต่ถามว่าเขาไม่ได้ไปเจ็บไปปวดเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่า ถามว่าเพราะร่างกายถ้าไม่มีร่างกายแล้วความทุกข์ต่างๆก็ไม่มีมีแต่ความสุขอย่างเดียวก็พยายามทําให้มีทำให้ไม่มีรูปโดยเจริญสมถกรรมฐานใช่หไหมพวกนี้เจริญอรูปกรรมฐานและเมื่อหลังจากได้รูปฌานแล้วก็เอารูปฌานนั่นเองเป็นบาตในการเจริญอรูปรกรรมฐานแล้วก็มีสภาพองค์ฌานที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวหต่อการฌานท่พยาบาททีนมิท้าอุทธัจั กุกุจะแล้วก็วิจิกิจฉาเขาข่มนิวรธรรมได้อย่างถาวรเลยเนะีไม่ใช่ข่มนิวรธรรมอย่างเดียวเขาข่มรูปกรรมฐานก็ได้ด้วยเขามีอรมุปกอารมุปธรรมเนะี่ยเป็นอรมุปกรรมฐานเนะ่ยเป็นอารมณ์ใช่ไหมมีพวกอาการสานัญจายาตะนะวิญญาณนัญจายาตะนะอากินเป็นตนะ้นแล้วก็นัทธีภาวะบัญญัติมีพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณ์ในที่สุดจริงๆเขาได้จริงๆตามวัตถุประสงค์นะี ลักษณะอย่างนี้มีโมหะเป็นอุปนิสัยมีโมหะเป็นอุปนิสัยว่าเป็นวิธีทาให้เขาคิดออกอย่างนี้ว่าอย่างนี้เป็นวิธีที่จะทําให้ตัวเองนั้นนะพ้นจากกองทุกข์แท้ที่จริงถ้าเรามองทางด้านสัจจา ก, ก็คือโลกียะจิตแปดสิบเอ็ดอยู่ใช่ไหอยากได้ทุกขสัต์นั่นเองแล้วก็เจตสิกที่ประกอบสามสิทธก็เป็นทุกขษัตย์ในขณะเช่าชาญ หรือวิถีจิตของเขาที่เป็นอกุศลก็ยังดําเนินไปอยู่นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าถามประเด็นตรงนี้นะว่าถ้าหากว่าลักษณะของสังขารอภิสังคณนการสังขารมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะคือลักษณะของสังขารเนี่ยว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งบุญก็ปรุงแต่งบาปหรือปรุงแต่งอนเนียนชาเนี่ยนะ อายุหานราสาก็คือมีความขวนขวายเกิดปฏิสนธิก็แปลว่าถ้าเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปเจตนาที่เป็นอันเนนชาเนี่ยกิจการงานของเขาคือขวนขวายทําปฏิสนธิให้เป็นไปทำอะไรทําพวกรูปอุเบขาสันติรนาปฏิสนธิสองมหาบากปฏิสนธิแปดแล้วก็รูปปฏิสนธิห้าอารมณ ป, ปฏิสนธิสี่ 4, และเพื่อให้อะไรกัน ให้อสัญญารูปปฏิสนธิในอสัญญาสัตตภูมิด้วยใช่ไหมนั้นก็เป็นความนาจของตัวสังขาร น, นี่เองเป็นตัวขวนขวายอายุหณรัษาเนียมีความขวนขวายให้ปฏิสนธิเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าขวนขวายทําปฏิสนธิเมื่อเขาเกิดขึ้นเวลาใดแล้วเน่ะกิจของเขาคือทําปฏิสนธิทําการเกิดขึ้นของขันแหวนเด่นดีนะ มันเหมือนว่ามันไม่หมดเนี่ยพอมีตัวเจตนากรรมเกิดขึ้นอย่างใช่ไหมเขาทํากิจในการขวนขวายทําหน้าที่ให้เกิดเหมือนดีไหมท่านทัพถ้าใครมาบอกบอกว่าเนี่ยเขามาให้พรเราเนี่ยให้พรเราเนะ่ยขอให้ท่านจงเกิดต่อไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นอย่าขาดนะปฏิสติเสียอ่างนั้นนะหลุดจากภพนี้ก็เกิดใหม่อยู่หลุดจากภพนี้ก็เกิดใหม่ใครให้พอรอย่างนี้เราดีใจไหมถ้าก็บอกว่า ต่อไปให้ท่านหมดเชื้อปฏิสนธิอย่าได้พุดได้เกิดอีกต่อไปครับถ้าท้าแต่นี้เอาใหม่นะถ้าใครมีใครมาพูดอย่างนี้บอกขอบคุณครับหวังมานานแล้วนะที่จะไม่พุดไม่เกิดเนี่ยโอ้โหเกิดเป็นทุกข์จริงว่างั้นนะบอกถ้าใครไม่ให้เกิดนิดเม็ดดีมากขอบใจนะแต่นทายากไหมให้พรยากเหลือเกินบอกทํายากเหลือเกินให้พรแบบนี้วะคือตัวสังขารนี่เขาทํากิจปฏิสนธิอยู่แล้วหน้าที่ของเขาการงานของเขา อารมณ์ใดๆที่มาปรากฏทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่าสังขารเกิดขึ้นสังขาร น, นั้นจะทํากิจปฏิสนธิเลยหน้าที่เขาจะรีบปรุงแต่งทําปฏิสนธิต่อไปได้สีเป็นอารมณ์ได้กลิ่นเป็นอารมณ์ได้รสเป็นอารมณ์ได้สัมผัสได้ธรรมะเป็นอารมณ์เขาก็จะขวัญขวายในการที่จะทํากิจปฏิสนธิต่อไปทั้งรูปปฏิสนธิน้ำปฏิสนธิเนี่ยนะ ทั้งในปัญจวโวการาปฏิสนทีแล้วก็รูปฏรปฏิสนธิอรูปปฏิสันทีเนี่ยเขาก็จะทําปฏิสันทีเหล่านั้นน่ยกิจเหล่านั้นเขาวางไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วแต่เมื่อเขาจะส่งผลเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ว่าประโยคะบ้างอยู่ที่การบ้างอยู่ที่อุปธิบ้างอยู่ที่คติบ้างใช่ไหม